วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมพุทธศักราช25งพห้าสาเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตัดตจรูธรรมและเป็นวันปรินิพานของพระพุทธเจ้าในสามการเกิด บรรลุธรรมตัดชร่ธรรมแล้วก็ดับขันปรินิพานคือตายในวันเดียวกันคือวันเดือนหกเพ่นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อสงเคราะห์โลกจรงิงๆพวกเราได้ศึกษาได้ฟังธรมคำสอนพระธรรม8ป0 0 0สี่พันพระธรรมะขันพวกเราจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกจากนั้นก็ได้ตัดชัธรรม ได้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมแปดหมี่พพระธรร ม, มขันล้วนแล้วจะเป็นธรรมะที่น่าศึกษาเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งออที่สุดที่พวกเราเกิดมาจุดท้ายภายหลังนํามาวิเคราะห์บทใดคาถาใดคําพูดใดล้วนแล้วจะเป็นคำพูดที่แหลมคมนําให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา แบบจุใจหรือถึงใจหรือว่าเป็นที่ใครถกเถียงไม่ขึ้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสออกไปแล้วนานเป็นสวาขาชชธรรมจริงๆในยุคปัจจุบันที่คนที่ว่ามีปัญญาที่ว่าไอชตายเป็นบุคคลที่ว่าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนที่ยอมรับกันทั่วโลกก่อนที่เขาจะมรณภาพไปเขายังเขียนว่ า, าศาสนาในโลกเนี่ยถ้าจะให้เขานับถือ เลือเชื่อถือเขาจะนับถือพระพุทธศาสนาจะเชื่อถือพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเหตุผลและก็เป็นศาสนาวิทยาศาสตร์สามารถแตะต้องได้เป็นรูปธรรมสามารถวิเคราะห์ออกมาได้คําพูดของพระพุทธเจ้าหรือว่าธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลในการตรัหรกะการแสดงออกมาในคําพูดนั้นนนั้รูปธรรมคําสอนนั้นนั้น อันนี้เขายอมรับอันนี้เขาเขียนโลกทั้งโลกเขารู้และก็พุทธศาสนาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็ได้รับความยอมรับของทั่วโลกว่าเป็นศาสนาสากลเป็นศาสนาที่ทำโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขถ้าผู้ใดนับถือเรื่อมใสปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทานศีลภาวนา ที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ด้วยสามัญผลคือคือผลอเรื่องศิลงสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าประกาศเผยแผ่ต่อสาธารณชนทั้งฝ่ายครวญและฝ่ายพระสงฆ์เป็นที่ยอมรับในยุคสมัยนั้นจนมาถึงสมัยนี้ก็เป็นที่ยอมรับเพราะเหตุไใดพอพระพุทธเจ้าท่านเอาของเริงมาพูด เอาความจริงมาพูดเอาหลักเหตุผลมาพูดแต่เมื่อเช้าหลวงพ่อเองได้กล่าวถึงความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่ออุบัติขึ้นมาแล้วจากสกุลไหนจากกงกบินละพัฒ ส, สกุลสากะยะอย่างพวกเราได้อ่านคำสักการะวันวิสาขาบูชาจบโรงสักครูนี้พวกเราก็พอจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอุบัติอุบัติขึ้นที่ไหน อย่างไรแล้วช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกอย่างไรพระพุองค์ได้ตัดสรู้ในวันเดือนหกเพนท่านนั่งอยู่ที่ไหนท่านทําอย่างไรท่านกําหนดตัวของท่านอย่างไรหลวงพ่อก็ได้พูดเมื่อเช้าจากนั้นก็ได้ตัดสรธรรมจวนจะสว่างในวันเดือนหกเพนเบื้องแรกก็บวชปุพเพในวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้ตอนเที่ยงคืน ไดสําเร็จจุตูปปาตยานการจุติของสรพสัตมองเห็นสัพสัตทั้งหลายการเกิดการตายของสัพทาทั้งหลายเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงเป็นไปด้วยกรรมกรรมคือการกระทําถ้าทใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะส่งเสริมพาคนนั้นไปในทางที่ดีถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาพาคนนั้นไปทางต่ําแลำทางต่ําคืออะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคนหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิต เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เหมือนมนุษย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นจากนั้นก็เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่มีเงินคำทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขแก่คนคนนั้นได้เพราะเหตุไรเพราะกรรมกรรมในอดีตให้ผลจากนั้นดอออายุน่าจะอายุยืนยาวได้ก็ยือยืนยาวไม่ได้เพราะเหไรเพราะว่ากรรมเก่าให้ผลจากนี้เป็นต้นจากนั้นก็ เมื่อท ำ, ทำกรรมทํากรรมไม่ดีพระพุทธเจ้าก็มองเห็นอีกกว่าสัตว์ตว ะ, ะโลกนี่ยกรรมมะโลกรูปะโลกอรูปะโลกนี่ยท่านมองเห็นได้ทั้งหมดพวกที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ติระชานไปตกนาลกไปเป็นเปรตนาโลกก็มีหลายหลุมอีกสัตว์ติระชานก็มีหลายประเภทอีกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นล้วนแล้วแต่วิญญาณคือใจตรงนี้ไปเกิดได้ทั้งนั้น พระพุทธองค์ก็รู้จหวัดปะปะปะตูปปาตยานพระพุทธองค์รู้ว่าสรรพสัตว์การเวียนว่ายตายเกิดของจิตวิญญาณทั้งหลายอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งและก็อาสาวกาย้ยยานพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าศึกษาด้วยตปธรรมคือศินสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสุงสัมมาส ม, มาธิชัมระพัทไทของพระองค์ได้ตัดรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนวันนี้จวนจะสว่าง จากนั้นพระองค์ก็ได้ประกาศออกมาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่เกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทําให้พาให้เราเกิดนั้นเรากําจัดออกจากใจของเราแล้วจากพระไทยของเราแล้วคือกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราเองก็ได้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร มานานเท่านานแต่บัดนี้เรารู้แล้วเรากําจัดกิเลสภายในใจของเราออกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ ว, ลวเราไม่เกิดอีกแล้วนีพระ อ, องค์ก็ได้ประกาศในวันเดือนหกเพนในวันนี้นีอันนในมือเช้าหลวงพ่อได้อธิบายอย่างละเอียดให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่วันนี้ตอนเย็นวันนี้หลวงพ่อจะได้นํา ำ, ำคำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรู้นั้นมาประกาศมาเผยแผ่ ให้แก่พุทธบริษัทสีคือภิกษุสัมมนเนรอุบาสกอุบาสิกาให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นคือพุทธวิถีของพุทธะที่ท่านเดินท่านนั่งสมาธิจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบจากนั้นก็เกิดญาณทัศนะจากนั้นก็ระลึกชาติต่างชาติผลหลังของพระองค์ได้จากนั้นก็รู้จักกรรมของสัตว์ทั้งหลาย จากนั้นก็พระ อ, องค์ก็ชำระใจของพงษ์ให้หลุดพ้นจากอาสวักิเลสอันนั้นคือของเรื่องของพุท ธ, ธะในเมื่อท่านได้ตัดรู้แล้วถึงท่านเอามาสอนพวกเราพุทธบริษัทสี่เพราะพุทธบริษัทสี่เนี่ความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดบุญวาสนาบารมีมันต่างกันเหมือนกับดอกบัวสามเหล่าสี่เหล่าเนี่ยบางคนว่าสามเหล่าบางคนว่าสี่เหล่าจะเป็นกี่เหล่าก็เถอะ พูดแท้แต่พวกเราจะแยกนะแต่ถึงยังไงก็มนุษย์มีความสามารถไม่เหมือนกันพูดอย่างนั้นได้บางคนก็โง่บางคนก็ฉลาดจะเอาคนตาดีกับคนตาบอดให้เสมอกันก็คงเป็นไป ไ, ปไม่ได้จะเอาคนขาด่วนกับคนขาดีมาใส่กันก็เป็นไปไม่ได้มันแยกกันโดยอัตโนมัตินี้ก็เหมือนกันเกิดมาในโลกนี้ก็แยกกันอย่างนั้นแหละ แหมคือมันจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางทมคำสอนออกมาหลายระดับให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาสุดแท้แต่พวกเราจะมีความสามารถจะยึดเอาแนวทามคำสอนไหนมาประพฤติปฏิบัติถ้าผู้มีความสามารถสูงก็มีความเชื่อถือแล้วก็เห็นตามจริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าวางไว วันโลกอันนี้หาความสุขไม่ได้นะแต่นี้บางคนอ้าวมันมีความสุขอยู่นี่นะอันนี้ก็คือคนระดับหนึ่งแต่บางท่านบางคนโอ้หาความสุขไม่ได้จริงๆอันไหนคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ค้นดูสิหาดูสิความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรคนดูสิอันไหนคือความสุขค้นดูพอค้นดูแล้วก็รู้ได้ว่าตามสติปัญญาของ ผู้ดได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวแถวของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้กินแล้วไปถ่ายจะหาความสุขได้ที่ไหนถ้าไม่ถ่ายแล้วเป็นยังไงถ้าถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางทำยังไงกินอร่อยแต่ว่าถ่ายออกมาเป็นยังไงถ้ามีเงินครับสมทรัพย์สมบัติมากๆแล้ว เ, เป็นยังไงถ้ามีมากแล้วก็มีความสุขใช่ไมใช่ ไม่มีความสุขในระดับหนึ่งแต่กลัวคนจะมาป่นมาจี้มาโคดมาโกงอีกเป็นทุกข์อีกแล้วมีทรัพย์สมบัติมากๆากขึ้นมาแล้วเป็นยังไงก็เช่นเดียวกันแล้วมีลูกมีหลานมากๆากแขึ้นว่าจะมีความสุขลูกหลานคนนั้นไม่ได้อย่างใจห้องเราบัางเพิ่มเ พ, มเพม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะเป็นบ้ า, เ ป, บาเป็นบองกับลูกกับหลานก็มีอีก อันไรคือความสุขที่แท้จริงเถนะิดร่างกายสังขารของเราเราก็คิดว่ามีความสุขร่างกายของเราแข็งแรงต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแก่ชลามาฟันก็ไม่ไปตามบัญชาตาก็ไม่ไปตามบัญชาไม่ตามไม่ไปตามที่ตงตัวเองต้องการหูก็ไม่ไปตามตัวเองตัวเองต้องการแข้งขา ตีนมืออวัยวะทุกส่วนไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการแล้วจะหาความสุขได้อย่างไรเนี่ยค้นหาความสุขที่แท้จริงของมนุษย์หาดูซิมันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวไหมนี่แหละเราไปใช้ทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์ตรวจตรามาพิจารณาในตัวเองจากนั้นก็พระพุทธเจ้าท่านสอนอยังไงสอนพุทธบริษัทสีพระพุทธเจ้า การอยู่ด้วยกันต้องมีน้ำใจต้องมีเมตตาต่อกันอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้มีทานให้มีการเสียสละการทานคือคือเสียสละของตนเองคนที่มีทานคือจิตใจของเรากว้างขวางเพราะพรุทธเจ้าท่านสอนถ้าคนไม่มีทานไม่มีการเสียสละคนไปอยู่กับคนชุมชนใดกลุ่มใดต่างคนต่างไม่เสียสละเฉพาลรถไปจองไปฉุด หัวไปชนกันต่างคนก็ไม่ถอยเนี่ยทั้งที่พอจะถอยได้อยู่คันหนึ่งจะถอยไม่ถอยเนี่ยเพราะเหตุอะไรเอียเพราะมันเสียเปรียบเราคิดดูก็แล้วกันว่าคนในชุมชนนั้นจะไปที่ไหนนอดผลที่สุดก็มาจอดกันเป็นแถบไปเลยเพราะเหตอะไรต่างคนก็ต่างมีทิฐิมานะแต่พอที่ยอมเสียเปรียบซะถอยออกซะเอย่างนี้คนหนึ่งละคันเนี่ยมันก็ไปได้ต่างคนก็ต่างไปได้เนี่ยนี่แหละคือมีน้ําใจมีเมตตา มีเหตุมีผลการอยู่ด้วยกันก็ร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนเอาไว้สําหรับค า, วาราวะคารวะธรรมธรรมของคารวะสี่อย่างนะีพระพุทธเจ้าท่านสอนสัจจะอยู่ด้วยกันให้มีสัจจะอย่าไปพูดตอแหลตลกหน้าตลบหลังหาความสัต์จริงไม่ได้การทํามาค้าขายการอยู่ด้วยกันถ้าขาดสัจจะแล้วยกโลกในยุคนั้นสมัยนั้น หาความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าจะเอากฎหมายมาเป็นหลักก็จะฟ้องกันไม่รู้จักจบเพราะคนขาดสัจจะเดี๋ยวก็จะต้มตูนกันเดี๋ยวก็หลอกลวงกันเดี๋ยวก็ว่าได้ผลที่สุดก็หักหลังกันเพราะคนไม่มีสัจจะทำได้ทุกอย่างเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนต้องมีสัจจะให้มีความจริงจังและจริงใจพูดจริงไหนให้เป็นสิ่งนั้น รับปากเข้ามาแล้วแล้วอย่างไรเราก็ต้องตอบหรือทําปฏิบัติตามที่เราได้รับปากเขาเอเขาได้รับปากเราเรารับปากเขาแล้วต้องปฏิบัติตามนั้นอย่าไปหลบกลีกดหรือว่าใช้เลีเล่ยมอกับเขาต่างคนก็ต่างมีเลีเล่ยมรู้เห็นกันอยู่ว่าเมื่อกี้นี่รับปากกันแล้วเอแต่มาเสียเปรียบเขามาแล้โคดโกงกันชื่งหน้าอย่างนี้ ใช่ไม่ได้จากนั้นก่อนนี่แหละฟ้องร้องกันมากกอ น, นั่นก็ฆ่ากันก็ได้เพราะอะไรเพราะคนขาดชัด จ, จะเพราะพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันมนุษย์อยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะนะพูดจะไงต้องปฏิบัติอย่างนั้นหรือว่าถ้าหาว่าเราเสียเปรียบมากเกินไปเราก็ต้องขอร้องเขาพราเราเสียเปรียบเขาผู้ที่ได้รับได้เปียกเขามากก็ควรจะยืดหยุ่นลงไป อันนี้พูดที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นถุกแต่ถ้าว่าเราได้เปรียบแล้วแล้วก็ไม่ยอมใครเลยเพราะได้เปรียกพอแล้วมีแต่จะเอาเปรียบเขาแต่ไม่ยอมลดลามวาสอกให้แก่ใครแก่ใครผลที่ผู้เสียเปรียบมากนัก้นก็นั่นแหละมันก็ไม่ยอมอีกทั้งมังไม่ไมเออ่เอาชนะทางหนึ่งไม่ได้ก็ต้องเอาทางหนึ่งขึ้นมาทีหนึ่งผูกพยาบาลอาคาด ฆ่าแกงกันได้ไง่ายๆเพราะอะไรเพราะมนุษย์ขาดน้ำใจนี่แหละอันนี้ขาดสัจจะไม่มีสัจจะธรรมะให้รู้จักคมค่มจิตของตนคนเราอยู่ด้วยกันมากมายสามีภรรยาลูกหลานหมู่พวกเพื่อนฝูงถ้าไม่มีธรรมะรู้จักคมจิตของตนใครพูดอะไรก็โมโหโกธาอยากจะได้อย่างใจของตนเอง เนีผลในุผลที่ดดสุดคนนะ่นก็โกรธให้คนนี้คนนี้ก็โกรธให้คนนั้นพอไม่รู้จักขม่มไม่รู้จักข่มตัวเองเอคนเราเกิดมาในโลกนี้อยากจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพ่อแม่อยากจะให้ใจได้ใจเราไม่ได้กับลกูลกลูกลูกก็เหมือนกันอยากจะให้พ่อแม่เอาใจเขาทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นต้องรู้จักขม่มคาว่าข ולם, ่มคานี้ใล้ๆกับว่าให้ฟังเหตุฟังผล อย่าไปเอาแต่ใจตัวเองบางทีเขามาพูดให้ฟังหน่อยนึงโกโมโหโกทาเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้โกรธขึ้นมาแหะไปว่าเป็นด่าให้เขาแหละผลที่สุดเขาไม่ได้ว่าอย่างที่ตัวเองได้ยินมาเสียคู่เสียคนเสียพ่อเสี ย, มยแม่แม่เสียลูกเสียหลานเสียวงสามนาญาติเสียมิตรเสียสหายม า, ม า, ม, ามากตัวมากเพราะไม่รู้จักข่มจิตของตนะ ถ้าควรรู้จักข่มจิตของตนอะตึกพุ่นนั้นแหละเป็นผู้สวยงามได้ยินสิ่งไหนมาก็ต้องฟังซะก่อนไก่กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลซะก่อนแล้วจะหลุดคำไหนออกไปก็ค่อยว่าเอันนี้เราว่กธรรมะให้รู้จักข่มข่มจิตของตนขันติให้มีความอดทนอดทนคือเราเกิดมาในโลกเนี่ยอย่าให้ได้อย่างใจอย่างที่วาดเป็นไปไม่ได้ บางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวบางทีก็ถูกใจไม่ถูกใจบางทีก็คนนั้นทำผิดผิดบ้างไม่ถูกใจกับเราบ้างคนนั้นก็บางทีเรากระทำสิ่งไหนไปไม่สงควา ม, ม, มาาาบุ่งหมาปปรารถนาบ้างทุกใจเราก็ต้องอดทนต้องใช้คันติคือความอดทนเป็นพื้นตนคนที่มีคันติคือความอดทนเนี่ยจะสวยงามท่านว่าคนที่มีคันติจะผู้นั้นจะเป็นคนที่ ในกริยามล า, ายาสสวยงามไม่ผู้วามไม่แสดงอากัปกิริยากระทบกระแทกแดกตันหมู่เพื่อนฝูงให้อยู่ด้วยกันก็สบายใจร่มเย็นเป็นสุขมีอะไร ก, รออก็อยู่ด้วยกันด้วยเหตุด้วยผลเพราะว่ามีขันติถ้าว่าคนมีตะขันแตกมีตะขันแตกอยู่ด้วยกันไม่ได้ล่ะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ คนขี้โมโหโกธาไม่ดีอันนี้ก็คือดูด้วยการต้องมีขันติและแจาระคะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าให้มีจาคะด้วยนะคือการเสียสละอภัยทานธรรมทานอย่างที่หลวงพ่อแนะนำอยู่เดนนีนะ่คือธรรมทานการแนะแนวทางในทางปฏิบัติวิถีทางเดินของจิตใจพวกเราควรจะคิดอย่างไรจึงจะถูกต้อง จะทำยังไงจึงจะถูกต้องจะพูดยังไงจึงจะถูกต้องอันนี้คือเอาทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนำพวกเราหลวงพ่อเองก็ได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษามาตั้งแต่เป็นสัมมาณีมาจนเป็นพระเนีเป็นพระในกี่ปีหลวงพ่อก็ได้รับได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากตำรับตาราจากนั้นก็ เมื่อได้ฟังแล้วเออข้อไหนที่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็มากันกรองด้วยเหตุและผลด้วยความประสบะประสบการของตนเองด้วยแล้วก็ได้นำประสบปการของตนเองที่ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติมาก็ น, นำมาเผยแผ่มาประกาศต่อให้คณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังอีกเนี่ยเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่งได้ฟังไปแล้ว ศรัทธาญาติโยมได้ฟังไปแล้วก่อเอออันนี้มีเหตุผลถูกต้องก็่อนนำทำที่หลวงพ่อได้แนะนําไปประกาศอีกเผยแผ่ต่อไปอีกอันนี้แหะคือการบอกกล่าวด้วยว่านํำทำคําคสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังออจากนั้นก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเอาของจริงมาพูดเอาเหตุผลมาพูดกันออไม่ได้เอาเรื่องโลกโหโบกนะ เรื่องโกโหกตอแหลมาพูดกันเอาความจริงมาพูดกันเรื่องไหนที่เป็นเรื่องจริงก็พูดอย่างสัจจะทีนี้คนที่ไร้สัจจะเป็นยังไงทนคนที่ไม่มีธรรมะรู้จักข่มจิตต้องตนเป็นยังไงคนไม่มีขันติคือความอดทนเป็นยังไงคนไม่มีจาคะคือคนที่ตันีทีเหนียวไม่รู้จักให้อภัยแก่ใครทั้งทั้งหลายทั้งปวง ไม่การมีไม่มีการเสียสละให้พ่อให้แม่ทั้งที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแต่ไหนแต่ไรแต่เป็นเด็กท่านเลี้ยงดูยากขนาดไหนทั้งให้ข้าวน้ำอาหารการบริโภคให้ความอบอุ่นกับลูกลูกร้องให้ก็ไม่รู้ทำอะไรตัวม่อะไรเพื่อจะให้ลูกของตัวเองหยุดร้องให้ยอมหมดทุกอย่างนี่แหละ ทานเลี้ยงลูกมาด้วยความยากลําบากเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเราจะทดแทนพระคุณของท่านได้อย่างไรไม่ใช่ว่าจะให้มีแต่จะเอาเปรียบท่านตลอดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเอาเปรียบอยู่ตลอดไล่ำเวลาอันนั้นไม่ใช่ลูกที่ดีนะอลูกอย่างนั้นแปลว่าลูกเ อ, อไม่ใช่ลูกที่ดีเ อ, อลูกไม่ลดลูกอักตันอยู่พูดอย่างนั้นได้ถ้าลูกเอารัดเอาเปรียบพ่อแม่ตลอดไปแปลว่าลูกอักตันอยู่ ท้าวลูกที่สงเคราะห์อนุเคราะห์พ่อแมอ่ที่เลี้ยงเราเราดูแล ว, ว่าบุพการีบุคคลผู้มีอุปกราระก่อนเราต้องแสดงความกตัญญูกตัญญูกตวเวทีตารู้จักทดแทนพระคุณของท่านเนี่ยเอ๋่หละอันนี้คือการเสียสละละท่คือทานะคือการเสียสละให้พ่อให้แม่จากนั้นก็ให้พี่ให้น้อง ยอมเสียเปียกให้พี่ให้น้องบ้างเอไม่ใช่ว่าเท่าไรเขาเท่ากันเอไม่ยอมให้แกใครทั้งหมดเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ยอมแบ่งปันให้ใครเลยโลกอันนี้ก็หาความสงบพรมเย็นเป็นจุกไม่ได้เหมือนกันนะเพราะเอาแต่ใจตัวเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนคือธรรมของคารวะคารวะธรรมสี่อย่างสัจจะข้อแรกธรรมะ ให้รู้จักข่มจิตของตนขันติและกระจาคะคือการเสียสละข้อสุดท้ายเพราะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังแลวธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าพระธรรมแปด0ื่นสี่พันพระธรรมขันที่พระพุทธเจ้าประกาศเผยแผ่ออกมาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานั้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง สำหรับมวลมนุษยชาติของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของพวกเราทุกๆท่านนะหลวงพ่อเองหลวงพ่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีประโยชน์กับหลวงพ่อจริงๆพูดอย่างนั้นได้เลยเพราะเหตุไรเพราะว่านำมาวิเคราะห์ดูแล้วนำมาไต่ตรองด้วยเหตุและผลดูแล้วเป็นสวากาตธรรมจริงๆ จ, จากนี้นถ้าพร อ, องค์ก็สอนพุทธบริษัทสี่อันนั้นคือการอยู่ด้วยกันนะ แน่ที่ว่าคารวะธรรมธรรมของขราวาะเนี่ยอันนั้นคือการอยู่ร่วมกันการอยู่ด้วยกันต้องมีกติกาหรือว่ามีข้อบังคับหรือว่าให้ใช้หลักธรรมอย่างนี้การอยู่ด้วยกันจากนั้นอยู่คนเดียวจะอยู่คนเดียวก็คือแดวความคิดเราจะคิดยังไงจึงจะถูกต้องที่พระพุทธเจ้าหรือว่าคนโบราณเขาตั้งเป็นคำพังเพยขึ้นมาว่า อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจานคือการอยู่หลายคนก็ต้องระมัดระวังการพูดการกระทาของตัวเองแต่อยู่คนเดียวต้องให้ระวังความคิดเราจะคิดเป็นยังไงมันจึงจะถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนส่วนพระองค์ท่านก็ได้ตรัสรู้ธรรมอย่างที่ว่า ปุเพเนวาสารนจติยานจุตุปปาตญาอาสาวกขยายานจากนั้นท่านก็มาสอนให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายขาึ้นคาวาะญาจมปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานสี่สิบสี่สิบประการอันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ในกรอบของกรรมฐานทั้งหมดให้อยู่ในนี้นะแต่ตามจริงมากกว่านี้ที่พระพุทธเจ้าที่มีพระอรหันตทาสาวกของพระพุทธเจ้า ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลในกรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจไม่ให้จิตใจของเราปรงฟุ้งออกไปข้างนอกอย่างพวกเราเออให้นึกกรรมฐานสี่สิบอย่างยอยู่ในจิตใจให้มีสติสัมปชัญญะในการนึกคิดเนี่ยให้ยึดกรรมฐานได้กรรมฐานหนึ่งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่า ให้กำหนดภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกเนอะและก็พร้อมกับบริกรรมพุทโธแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือนหกเพ็นนั้นท่านม่นียไม่ได้บริกรรมกรรมฐานไหนเพียงแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะให้มีสติให้ระลึกอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดใ ห, ให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกตลอด ให้มีสติในลมหายใจเข้ารัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าแต่องค์หลวงปู่มั่นสายหลวงปู่สาหลวงปู่มั่นและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอย่างหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าอย่างเนี้ย ท่านก็สอนตามแนวแถวของหลวงปู่มันท่านบอกว่าให้ภาวนาหลวงปู่มันแนะนำสั่งสอนนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็ปน ม, มือก่อนที่จะนั่งสมาธิก่อนที่พวกเราจะนั่งสมาธิทุกวันตามม่จริงพวกเราเป็นสาสนชนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนหลับก่อนนอนควรจะไหว้พระกฎแห่ไหว้พระกลเราได้เราเรียนอะไรได้เรียนได้ขนาดไหนแล้วก็ไหว้ขนาดนั้นถ้าได้แต่พุทโธธรรมโมสังโฆก็ยังเป็นสติเป็นมงคลสําหรับพวกเราเพราะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เอง พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วถ้าผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีความตกทุกขออ์ไม่เกิดไม่ร้อนทางด้านจิตใจจนเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้คือพระธรรมคำส่งสอนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านได้เนตได้นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนําสั่งสอนพวกเรา พวกเรากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกวีดทุกวันเท่านี้ก็พอจากนั้นก็แผ่เมตตาในจิตใจนะคาว่าแผ่เมตตาคํานี้คืออาหารสุกิโตโหมินิทุโหมิอเวโรวโหมิจะพูดอย่างนั้นก็นได้แต่ใช้ภาษาใจของเราจะดีกว่านะเพราะเราเข้าใจเราตั้งจิตอธิษฐานให้นิ่งนิ่งตั้งใจให้นิ่งนิ่งแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่น ทั่วไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการดังที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกทุกท่านทุกๆวิญ ญ, ญาณด้วยเทินอันนี้คือแผ่เมตตาออกมาจากใจจริงนะให้ข้าว่าต้องเราต้องการความสุขอย่างไรวิญญาณอื่นทุกวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขเอ puedes, ออันนี้ก็คือเราตั้งจิตใจอย่างนั้นเราจะไม่โกรธให้แก่ใครเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะไม่อิจฉาพยาบาทกับใครๆ พอเราต้องการความสุขอย่างไรคนอื่นก็ให้มีความสุขถ้าเขามาอิจฉาเราละ่ะเขามาลังแกเราละ่ะเขามาเบียดเบียนเราละ่ะเราก็หาความสุขไม่ได้เมื่อเราไปทำให้แกเขาละ่ะเขาก็หาความสุขไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราตั้งจิตตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตในใจิตใจอย่างนั้นจากนั้นก็เมื่อแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยล้วก็นั่งขัดสมาธิ ไหว้ครูซะก่อนประน ม, มือไหว้ครูซะก่อนไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงพอเอามือลงเสร็จนี้วก็กําหนดลมหายใจเข้าลเลยสิหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่แหละวิธีการภาวนานะถ้าเรารู้จากวิธีการภาวนานะันไม่ยากง่ายนิดเดียว แต่ถ้าเราไม่รู้เอ้ยไม่รู้จะทํำยังไงไหวพระเสร็จแล้วก็จะไปหาขันดอกไม้ขันห่าขันแปดมาบูชายกคูซะก่อนใช่ไหมไม่ใช่แอบไม่ถึงขนาดนั้นไม่ต้องเพราะงั้นไม่จําเป็นนะเมื่อเราไหวพระเสร็จเรียบร้อยเราหามุมสงบอก่อนที่เราจะนั่งปิดโทรทัศน์ปิดฟิทยุอยปิดโทรศัพท์ไว้ยิ่งดีในขณนะนั้นเอ เราจะนั่งหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้แล้ก็ปิดโทรศัพท์นอแล้วก็บอกหมู่พวกเพื่อนเออเวลาเท่านั้นเอปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้มันมารบกวนในขณะที่นั่งสมาธินะแล้วก็ปิดวิทยุไว้ก่อนแล้วก็ปิดโทรทัศน์อยู่ในห้องในมุมสงบถ้าใครอยากจะดูก็ให้เขาดูอยากจะไปเปิดแรงเน้อบอกเขาแล้วก็ไปนั่งในห้องพระเพื่อนั่งในมุมสงบ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งสมาธิกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทออกโทพุทโทนั่งนานขนาดไหนนานเท่าที่จะนานได้หม่ๆมแล้วจะตั้งนาฬิกาไว้ชัก30นาทีทดลองดูนะหรือนาทีก่อนก็ได้20สนาทีแล้วเลื่อนขึ้นไปถึง30นาที ถ้าพวกเราฝึกหัดอย่างนี้โดยสม่ำเสมอใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้นะแล้วใจได้เข้าสู่ความสงบนั้นมีประโยชน์อะไรนี่แหละมีคุณค่ามหาศาลเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าคนที่มีจิตใจไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านจิตใจไม่สงนอกจิตใจอยู่กับตัวเองมีสติสัมปชัญญะบอกได้เลยคนนั้นไม่เป็นบาพูดได้เลย เน่ยเพราะเหตุไรเพราะว่าสติมีสติอยู่กับตัวเองถ้าเราปล่อยเออระเหยลอยลมทั้งวี่ทั้งวันมีอะไรกับวิต ก, กังวลอยู่อย่างนั้นเนี่ยวิตกจริตมีอะไรก็คิดออกไปข้างนอกอยู่ตลอดไปลอเวลเาเผลอเผอเสียกู้เสียคนเสียศูนได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้กําหนดสติอยู่กับตัวเองเพราะนั้นเวลานั่งสมาธิต้องตัดออกทั้งหมดอ่ยเรื่องจะคิดเรื่องต่างๆ จะคิดถึงเรื่องอดีต ท, ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรไม่ต้องคิดในขณะนั้นแต่คิดถึงเรื่องอนาคตก็ไม่ต้องคิดให้สติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นให้อยุดเพียงเข้านั้นนี่แหละกําหนดลมหายใจถ้าเราทําได้อย่างนั้นนะจิตใจไม่ปุงไม่พุ้งไปทางอื่นเพียงสิบยี่สิบนาทีเราฝึกฝนไปเรื่อยๆนั่นแหะสมาธิของเราจะเข้มแข็งจากนั้นใจของเราก็จะ มีความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขลึกๆต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเท่าแก่ชราเราก็จิตใจมีหลักมีก ฎ, ม, กฎมีเกณฑ์ไม่ว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมคนที่มีสมาธิดนะีเพราะนั้นขอให้พวกเราฝึกไว้แต่เนิ่นๆเรื่องสมาธินี่นะไม่ใช่ว่าพออายุมากแล้วยังค่อยมาฝึกมันฝึกไม่ได้น ะ, อะพอฝึกไม่ได้เพราะมันไหล เป็นล่องไปแล้วถ้าเป็นน้ำก็ไหลกัดก่อนเป็นล่องไปแล้วเอี่ยจะดึงไม่ให้มันไหลไปทางเก่าพมากมันจะเอามันไม่อยู่เพราะนั้นพวกเราเอาแต่สมัยเมื่อเรายังเป็นน้อยเป็นหนุกเนี่แหละฝึกขัดเรื่องสมาธิเอาไว้ในเมื่อเราถึงขราวจำเป็นเรื่องขราวจวนเจียน ม, มันมีนะในโลกเนีออชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะ บางทีเราประสบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถ้าเราไม่มีธรรมอยู่ในใจเนี่ยเราสอบตกนะเพอเพอหลุดไปได้ไง่ายๆนะเป็นบ้าเป็นบอไปนะร้องหมร้องไห้ไม่รู้จักหยุดนะเพราะเหตุไรเพราะใจของเราไม่มีหลักไม่มีกฎมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกหัดเรื่องสมาธิแหเอาไว้เมื่อฝึกหัดสมาธิเอาไว้พยายามเดินปัญญาอีกทีสมาธิคือกำหนด ติดใจในคำว่าสมาธิวิสมัมมธามวิปัสนาเดินวิปัสนาเดินอย่างไรอีกถึงอหลวงพ่อจะแนะนําให้พอเข้าๆนะคำว่าเดินวิปัสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้พิจารณาพิจารณาอะไรให้ใจนึกคิดดูร่างกายของเราเออร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยตั้งแต่เท้าถึงศีรษะเนี่ย เราจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่เราเห็นคนตายไหมปู่ย่าตายยายเราตายใช่ไหมเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเมันจะตอว่าใช่เราต้องตายแล้วตายเราจะไปไหนเพราะพรุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูนนะตายแล้วเกิดนะในใจของเรามันมีอะไรถ้าเรานั่งสมาธิจิตของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่ คนละอ่านกันนา ม, มาธรรมกับรู ป, ปรธรรมรู้ชัดได้ชัดเจนเลยเราจะรู้ได้โดยตนเองเราตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครเลยนี่แหละหลักพิสูจน์พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์พาพิสูจน์ตรงนี้คือนั่งสมาธิเนะี่ยอย่าไปเนื้อเดาเอาอย่าไปคาดคะเนเอาอย่าไปเรียนมากๆแล้วจะรู้ได้ว่าตายแล้วเนี่ยตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดมันพิสูจน์ไม่ได้ทั้งนั้นตัวพิสูจน์ก็คือเนี่แหละนั่งสมาธิเนยะ เหมือนกับเราอยากจะรู้รสเผ็ดรสเค็มนะเนี่อรสเค็มเขาว่ารสเค็มนะเอีเราไปถามใครต่อใครเรียนขนาดไหนเค็มมันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นงไงคือของความเค็มเราไม่รู้ทางนั้นแหละถึงจะเรียนยังไงก็ไม่รู้ในเมื่อเอาเค็มเอาความเค็มมาแตะลิ้นของเราเมื่อไหร่เมื่อรัเมื่อนั้นเราจะรู้แหลยโอ้เค็มมันเป็นอย่างนี้เองนี้ก็เหมือนกันนะ่ะเอในภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านตัดท่านสอนเอาไว้ ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วรู้ไม่ได้จะเรียนมากขนาดไหนก็ไม่รู้ออรู้แต่รู้ตามตำรับตำราคิดว่าเฉยๆไม่รู้จริงนะถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้ลูกประธรรมคืออะไรนามธรรมคืออะไรจิตใจที่เป็นอัปปนาสมาธินั่นคืออะไรจะแยกแยะออกบาปบุญคุณโทษอยู่ที่ไหนตรงไหนอย่างไรอันไหนตาย อันไหนเกิดเนะี่ยรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นให้พวกเราจตทาญาติโยมทุกๆขั้นนะทั้งฝ่ายพระอแล้วก็จตาญาตโยมทุกท่านนะ่ะให้ภาวนาสรุปแล้วในเพื่อเมื่อเราภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเราก็หายห่วงไปในระดับหนึ่งว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแนะ่เพราะสิ่งที่เกิดนะั่นคือนามธรรมคือใจตัวรู้รู้นะ่ะตัวนั้นลนะ่ะจะพาไปเกิด จากนั้นเราก็ไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นทําไมจึงมาเกิดเพราะพระเจ้าที่ท่านได้ตดรัสรู้ท่านบอกว่านี่แหละตัวกิเลสอยู่ในใจดวงนั้นน่ะกิเลสราคะโทสะมันเตะจิตตะใจของเราเปลี่ยนไปเหมือนลูกฟุตบอล่ะแต่บัดนี้เราจะทํำยังไงไม่มีใครมาเตะให้ใจของเราเปิดอิสระให้ใจของเรามีธรรมให้ใจของเราไม่ไปคล้องแว็กกับกิเลสราคะโทสะโมหะ แล้วจะทํำยังไงในี่แหละอันนี้พวกเรากมานั่งใช่ไหย ม, มาพิจารณาดูแลใช่ไหมใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่พิจารณาตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่เท้าจดศีรษะร่างกายของเราเลยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเนี่ยสมัยตะก่อนเป็นเด็กใช่ไหมถามตัวเองต่อมาเป็นเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มเด็กสาวต่อมาก็มี กลางคนมีครอบมีครัวแต่บัดนี้เราเข้าสู่วัยชราเอมอย่างลุงพ่อพูดได้เลยว่าเข้าสู่วัยชราและอีกนานจากเท่าไหร่ไม่มีใครรับประกันชีวิตของใครได้น้อยหนุ่มก็ตายได้เหมือนกับผลละไม้เหมือนกับผลมะม่วงแหอพอเป็นดอกขึ้นมาหล่นก็มีโตใหญ่ขึ้นมาหล่นก็มีชวนจะสุกหล่นก็มี แต่ทุกลูกไม่มีไม่มีผลมะม่วงลูกไหนข้ามปีหล่นสุกแล้วก็หล่นทุกลูกชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเป็นเด็กตายก็มีขนาดเป็นเด็กน้อยพอรู้เรียนสาภาวะตายก็มีพอเด็กพอใหญ่ขึ้นมาจะเข้างรงเรียนตายก็มีเป็นหนุ่มเป็นสาวตายก็มีแต่ผลที่สุดทุกคนก็ต้อง ถึงจุดจบไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ความตายในยเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆเพราะนั้นไม่เป็นอนิจจ์นะความตายเนี่เป็นของเที่ยงแท้เกิดมาเท่าไหร่ตายทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้นี่เราให้พิจารณาถึงคุกคนมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมร่างกายของเราตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยมีโครงกระดูกเป็นโครงสร้างใช่ไหมกระดูกอยู่ข้างในใช่ไหมเรา เอแต่เรากลัวผีกลัวป่าช้าป่าช้าที่ใหญ่ที่สุดสุสานที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในท้องของเราใช่ไหมไม่ไม่รู้ว่าหมูเห็ดเป็ดไก่เอปูปลาเี่มันอยู่ในท้องของเราเนี่ยเเป็นสุสานใหญ่ที่สุดใช่ไหมถามตัวเองเลยสิเราไปกลัวทําไมกลัวป่าช้าถ้ากลัวปาช้าทําไมไม่กลัวท้องตัวเองอะสิ่งเหล่านี้มันต้วนแล้วแต่ใช้ปัญญานะทีนี้ พิจารณาตามความเป็นจริงแล้วนะทีนี้จากนั้นก็ดูสีร่างกายของเรามีโครงกระดูกเป็นโครงสร้างตั้งแต่หัวตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงฝาา่าเท้าเป็นโครงกระดูกใช่ไหมเราเคยเห็นไม่โครงกระดูกฟิล์มเอ็กซเรย์อย่างนี้เรือกว่าโครงกระดูกที่เขียนใส่กระดาษอย่างนี้หรือว่าเราไปเห็นในโรงพยาบาลเขาแขวนไว้ในตู้กระจกอย่างนี้เราเห็นไหมเราเป็นโครงโครงกระดูกอย่างนั้นใช่ไหม หรือไม่ใช่มันก็ต้องวัดชัยเป็นโครงกระดูกเหมือนกันไม่มีอะไรแปลกแตกต่างกันโครงกระดูกของเราที่พวกเรานั่งดูกันทุกคนแต่บางคนก็ไม่ตายไปแล้วก็มีแต่เผาไฟทิ้งตัเองไม่ได้เอาไปโครงกระดูกมาแขวนแต่บางคนเขาป็กแขวนให้ดูนี่แหละโครงกระดูกนั้นขนาดโครงกระดูกของเราแท้ๆยังไม่ใช่ของเรา ทั้งที่เราออกอกมาจากท้องแม่เราเกิดมาแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเป็นกดูกเด็กตัวเล็กจากนั้นมาก็เป็นถึงขนาดนี้แหละอายุขนาดนี้แหละและอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะต้องทิ้งอีกอถึงจะไม่ยอมทิ้งก็ต้องทิ้งเขาจะต้องเอาไปเผาไฟทิ้งอมีแต่กระดูกเท่านะัพวกเราเห็นกระดูกพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายมิตรชายของเราม า, มามากต่อมากนี่กระดูกเราก็เช่นเดียวกันนะ ขนาดร่างกายของเราแท้ๆยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดคนอื่นว่าเป็นของเราอย่างนั้นเหรอเออไปยึดลึกยึดลูกยึดหลานยึดสามีภรรยายึดวงศาคณะญาติเออยึดที่อยู่อาศัยว่าเป็นของเราอย่างนั้นเหรอขนาดของกระดูกของเรายังไม่ใช่ของเรา เราจะไปยึดสิ่งอื่นว่าเป็นของเราอย่างนั้นใช่ไหมเราถามตัวเองถามใจของตัวเองตในใจของเราก็ต้องยอมรับชายมันไม่ที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเอาไว้ร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราจริงอจริงเราจะต้องทิ้งอีกสักวันหนึ่งเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรอีกท่ทานบอกว่าอย่าไปให้ความสําคัญในร่างกายอย่าไปให้ความสําคัญ ในตัวผู้รู้ตัวผู้รู้คือใจใจตรงนั้นก่อเป็นอนิจจังเหมือนกันนะสิ่งไหนที่สิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์เหมือนกันสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราให้ปฏิเสธกระทั่งใจของเราเนี่ยธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักไปถึงนามธรรมคือตัวใจขนาดใจแท้ๆยังไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกนี่แหละท่านให้ปฏิเสธ ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจากนั้นพอเมื่อปฏิเสธแล้วสิ่งไหนที่มันจะรู้ได้มเมื่อเรามีสติปัญญาของเรากันครองด้วยเหตุและผลแล้วความฉลาดเรียกว่าวิมุตติญาณัตตาคือวิมุตติธรรมนอกเหนือจากสมมติว่าวิมุติเขาว่าเหนือจากสมมุติจะเกิดขึ้นในจุดนั้นในเมื่อวิมุต คืออมตะธาตุาอมตะธรรมอมตะแปลว่าสิ่งที่ไม่ตายเกิดขึ้นในที่มันโง่ที่จุดนั้นแหละจุดที่ใจของเราที่ไม่ฉลาดนั่นะในเมื่อเราพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วแล้วเราใช้ตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาพี่เคาะดูแล้วสลัดทิ้งแล้วเหมือนกับเราตั้งใจเรียนหนังสือเมื่อเราเรียนรู้แล้วความโงท่ทั้งหลายมันก็หายไปหมด เหมือนกับความมืดอยู่ในถ้ำอย่างนั้นอ่ะมันจะมืดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีอยู่ในถ้ำแต่พอเราจุดไฟขึ้นมาความมืดมันก็หายไปเหมือนกันนี้ก็เหมือนกันอวิชชาตัวอยู่ในจิตในใจของเรามันอยู่ในจิตใจของเราแต่เรามีธรรมะใช้ธรรมะตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาอริยสัจ ท, ทุกสมุทัยนิโรธมัจไตรรับอนิจังทุกขังอนัตตา นำมาพิจารณากัดกองกันกลองไต่ตรองเหตุและผลเดินวิปัสนาพิจารณาหาเหตุผลแล้วนั่นแหละมรรคผลนิพพานก็อยู่ในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาไม่ใช่ศึกษาที่อื่นนะผลที่สุดพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุธรรมตัดสรุที่ใจไม่ใช่ตัดสรูุ้ที่โคนต้นโพอันนั้นเป็นเพียงอกกับกิริยาพระองค์เป็นนั่ง อยู่ที่โคนต้นโพชอยๆที่ท่านได้ตัดสรุจริงๆคือตัดสรุปที่พระไทยหรือใจของพระอรู้แจ้งเห็นจริง เ, เห็นจริงเรื่องทั้งหลายเห็นจริงว่าโลกนี้มันเป็นยังไงอันนี้จังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราแต่สิ่งที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดนวพตสสงสารคือใจคือนมามธรรมตัวนี้ดวงนี้ถ้าทากรรมดีกรรมชั่วใจตรงนี้พาไปเกิด นี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านได้แสดงหรือว่าบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพวกศิษยานุศิษย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสั ม, มนเนนทั้งหลายท่านสอนทางนอกก็คือการอยู่ร่วมกันการอยู่ด้วยกันอย่างที่ตรงพ่อได้กล่าวว่าครวัตธรรมคําของครวัตอันนั้นคือการอยู่ด้วยกันจัดว่าเป็นหมวดศิล อหมวดสมาธิในก็คือพยายามดูจิตใจของตนเองแต่ละคนอย่าให้จิตใจของเราปุ่งฟุ้งไปทางอื่นให้มีกรรมฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกรรมฐานสี่สิบอย่างที่ว่าเนี่ยจากนั้นจะกําหนดลมหายใจเข้าพทหายใจออกโทถววิธีการนั่งสมาธิคือยึดอารมณ์ให้เป็นหนึ่งในเมื่ออารมณ์เป็นหนึ่งแล้วนะเี่ว่าภาวนามย์ปัญญาแล้ว จากนั้นก็เดินวิปัสนาวิปัสนาคือวิปัสสนนึกนึกคิดหาเหตุและผลมาหาักล้างมาแก้ไขใจของเราที่มันลุ่มหลงมัวเมากับโรกวัฏสงสารมานมนานเหมือนกับมันมืดเหมือนกับถ้าไม่ถูกแสงไฟเลยยาวนานนานมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีแต่พอเราจุดไฟขึ้นมัน สว่างขึ้นมาความมืดมั้องก็หายไปนี่ก็เหมือนกันเราติดยึดวันโลกวัะสงสารมีความสุขแต่เมื่อเราได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาวิเคราะห์นำมาพิจารณาไตรตรองและเหตุด้วยเหตุด้วยผลแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร เ, เมื่อเราค้นคว้าศึกษาดูแล้วหาความสุขไม่ได้ในโลกมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้น เนีพอสิ่งหนึ่งคือไปสิ่งหนึ่งเข้ามาเหมือนกับเรานั่งพับเพียบข้างหนึ่งแล้วก็จะตั้งตลอดไปไม่ได้มันต้องปวดแข้งปวดขาเอาพักพับอีกข้างหนึ่งสรุปแล้วก็เหมือนกับมีอไฟก่อทานทานไฟอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งพอมันร้อนก็ทิ้งไปอีกข้างหนึ่งพอทิ้งอันหนึงทิ้งไปั็โยนไปโยนมาอยู่เงี้ยอยู่ในฝ่ามือนี่ก็เหมือนกันการเปลี่ยนอริยาบทก็เหมือนกับเราพลิกหาความสุข เพียงประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าเราให้มันไหม้อยู่ข้างหนึ่งมันก็เวทนามันก็เกิดขึ้นเจ็บปวดจนเกินไปเราก็ต้องเปลี่ยนหาที่สบายขึ้นมาบ้างแต่มันจะหาที่สบายจริงๆมันหาไม่เจ อ, อเพียงแต่สบายชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประเดาวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราศรัทธาญยยาติโยมพระสงฆ์ทั้งหลายนะ ได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราจะประสบความสุขถาวรในจิตในใจของเราเป็นอริยะบุคคลพระโสดาสกทาคาอรหันต์ขึ้นในจิตในใจของพวกเราพวกเรามีทางออกนะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเอเป็นสวาขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติประพูงแก้ไข กายใจของเราใจของเราเหมอนกันใช้แต่ประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาอริยรสัจสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรคมร์แปดสมาธิิจนถึงสมาสมาธิอย่างนั้นกันนี่แหละธรรมะอนิจจทุกขังอนัตตาธรรมะอนัตตาเนี่ยเป็นธรรมะที่จะทําลายล้างกิเลส โลบโกรดหลงในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายคือธรรมะอนัตตาปฏิเสธทั้งหมดว่าสิ่งไหนเป็นอันนที่ยังสิ่งนั้นต้องทกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิเสธเลยนี่นหละธรรมะอนัตตาเนี่ยะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งขอให้พวกเราทัทายาโจมถึงจะปฏิบัติไม่ได้ให้ศึกษาเอาไว้ก่อนนะอย่าพึ่งปฏิเสธ ใช่ส่วนไม่เชื่อนะั้นพวกเราให้ฟังไว้ก่อนเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มันหลวงปู่ต่างๆที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอยู่ในป่าดงพงไพ่ฝึกหัดเรื่องจิตภาวนาเรื่องสมาธิมามากต่อมากเมื่อท่านดับขันไปเมื่อท่านตายไปพูด ง, ง่ายๆกระดูกของท่านได้ ก, กลายเป็นพระาธาตุให้แก่พวกเราได้เห็นอยู่แล้วเเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราจะประสบออความสุขความสมหวังดังปรารถนานะออถ้าว่าพวกเราไม่ปฏิบัติก็อย่างว่านะัออ่นนะพวกเราก็จะเลยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะหน้าเบื่อจริงๆนะ เ, ออเห็นหมาในยุคนี้สมัยนีออ้มันเป็นพิษเป็นภัยด้วยการทางนั้น ถ้าไปเกิดเมืองขเขมรจะเป็นยังไงในฆ่าคนเป็นบืออีกเหมือนกัน อ, อถ้าเกิดในโลกคนนี้มันจะต้องได้พบได้เจอละ่ะครั้งให้ครั้งหนึ่ง เ, เพราะนั้นอย่ามาเกิดดีกว่าเอจะทํายังไงจึงจะให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวัคิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่นิพพานจบๆไปสซะบายบายเพราะงั้นยอมแพ้ให้พวกสูเจา้าธรรยอยู่ต่อไปข่าจะเข้าสู่นิพพานล่ะ ไม่มาเวียนไหวาตายเกิดอีกแล้วขอจบเพียงเท่านี้ชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของข้าแล้วให้พวกเราเอาอย่างนั้นนะให้เอาชนะเอาชนะใจของตนเองจบแบบนั้นแ่ะอันต่อ น, นี้ไปนั่งสมาธินาะที่นี้นะยวค่อยเลิกกันานั่งสมาธิภาวนาเน้่วันนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถ้าว่าพวกเราผู้ไม่ขับรถนะยัไม่ได้เดินทางไปที่ไหน เราจะนั่งทั้งคืนก็ได้คืนพยายามปฏิบัติเพราะวัดของเราก็อย่างเนี้ยเงียบสงบจริงๆไม่ได้ยินเสียงอะไรเราจะนั่งภาวนาทั้งคืนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้บุญได้กุศล น, นะฝึกหัดดูซิเอาเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพระครูบาทั้งหลายเนี่ยนะพวกน้อยพวกหนุ่มจะไปเห็นแก่รับแก่นอนให้พิจารณาดูซิกายกับใจมนะันคื อ, อยังไง กายกับใจมันแยกกันยากนะเออมันไม่ใช่น้ํากับน้ํามันไม่ใช่อย่างนั้นนะกายกับใจเนี่ยน้ํากับน้ํามันไม่ใช่มันน้ํากับน้ํานมเหมือนกันเถอะน้ํานมเป็นยังไงผสมกับเทเข้าไปในน้ํามันเข้ากันขนาดนั้นเห็นแต่สีว่ามันขุ่นท่านเองเออคือน้ํานมแต่มันเข้ากันมันแยกกันไม่ออกกายกับใจแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติให้นั่งภาวนานาน เอาจนมันเจ็บปวดเลยขึ้นมาจนเห็นเวทนาชัดเจนะนะเราจะรู้ได้มันเป็นอย่างนี้เองนะกายกับใจมันสัมผัสกันขนาดนี้นะเนี่ยเราจะรู้ได้นะเพราะนั้นให้เอาจริงเอาจังนะในการประพุปะตปฏิบัติถาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะตัวเองนะเมื่อนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราประนมมือขึ้นระหว่างอ นึกพุทธ โ, ทรทรม โ, มโทธโทรมโมโรทธโรรมโอสังโฆพุทโธธรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงแล้วก็ภาวนาว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาลึกในใจอย่างนั้นคือแผ่เมตตาซะก่อนเพื่อให้จิตใจของเรา ไม่มีพิษมีภัยไม่จองเวรพยาบาทอาฆาตกับใครทั้งหมดในโลกจกักรวาลจากนั้นกับบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจอดโทพุทโทพุ ท, พทโทร เ, เหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นคนเข้ามาเราก็รู้คนออกไปเราก็รู้คนเข้ามาเราก็รู้คนออกไปเราก็รู้ เ, เมื่อเราเอาสติจับจุที่ปลายจมูก ลมเข้ามาเราก็รู้ลมออกไปเราก็รู้ไม่ต้องตามลมเข้าไปถึงท้องนะแลวไม่ต้องตามลมออกไปเพียงแต่ให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกแต่มันไม่เห็นทำยังไงทําไม่เจนไม่เห็นหายใจแรงๆนะสือปลมเข้าไปแรงๆสักสองสามครั้งเราจะรู้ได้แบลมกระทบที่ไหนแล้วเอาสติอยู่ที่ตรงนั้นหละทีนี้เวลาหายใจเข้ากบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุธโทพุธโท ไม่ให้จิตใจคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอนาคตที่ยังไม่ถึงอย่าไปคิดมันให้จิตใจอยู่กับตัวเองขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนะ